ตอนแรกพูดถึงจุดมุ่งหมายนิบานังปรมังวดันติบุต ธ, ธาตอนสองพูดถึงหลักการสัพปปาปัสสะอาการะนังตอนสามพูดถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะไปเผยแผ่าศาสนาหนึ่งอนูปวาโดไม่ว่าร้ายสองอนูปคาโตไม่เบียดเบียนกันทางกาย 3. ปาติโมเขจะสังวรสำรวมในปาติโมค 4. มัตตัญยุตตาจะพัตตสงรู้จักประมาณในอาหาร 5. ปันตันจะสยนาสนังเสพเสนณะ ส, สงัด 6. อธิจิตเตจะอายโยโคสัมมาสมาธิเริ่มต้นด้วยหนึ่ง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 ถ้าดูว่าการนินทาคือการพูดถึงคนอื่นในเรื่องที่ไม่จริงก็เป็นมุสาวาสถ้าจะดูว่าเรื่องที่พูดนั้นไร้สาระก็เป็นสัมผัสปราปะถ้าคำนินทานั้นทำให้คนเขาแตกกันก็เป็นปิสุนาวาจาเป็นการพูดสออเสียดถ้านินทาด้วยคำที่หยาบคายก็เป็นพรุสวาจาก็เลยเข้าครบหมดเลย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 แต่ควรพูดก็มีเรียกว่าผิดศีลข้อมุสาว่าแต่ไม่บาปมีคนที่ร้อนใจเรื่องเป็นเพชฌฆาตมาก็ไม่ได้ตั้งใจฟังธรรมของพระสารีบุตรท่านก็ถามว่าโยมค้าเองหรือพระราชาให้ค้าก็ตอบว่าพระราชาให้ค้าถ้าพระราชาให้ข้าโยมก็ตั้งใจฟังธรรมเถิดอย่าไปคิดอะไรมาก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 แต่ถ้าหมอพูดความจริงอาจเป็นอันตรายกับคนไข้ามากถ้าเอาสุภาษิตของพระวังขีสมาพิจารณาว่าท่านพูดว่าสัจเจอทเทจะทำเมจะอหุสันโตปฏิธิตาสั์บุรุษทั้งหลายย่อมตั้งมั่นอยู่ในสัจจะที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมมองในแง่กลับว่าถ้าสัจจะนั้นไม่เป็นประโยชน์ และไม่เป็นธรรมสัตว์บุรุษก็ไม่เอาคือถึงจริงก็ไม่พูดที่จริงประโยคเต็มคือสัจจางเวอมตตาวาจาเอสะธรรมโมสนันตโนสัจเจอเทจะทำเมจะอหุสันโตปฏิทิตาความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายสัตว์บุรุษย่อมตั้งมั่นอยู่ในสัจจะที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม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 ผลเสียก็คือทำให้คนใจกระด้างขึ้นเห็นการทรมานจนเกิดความชาชินเห็นเป็นเรื่องธรรมดาไปการทรมานแบบนี้ไม่เป็นปานาติบาตโดยตรงแต่ว่าอนุโลมเป็นปานาติบาตพระพุทธเจ้าก็พยายามให้คนทั้งหลายไม่เบียดเบียนกันสัตว์ทั้งหลายกลัวต่ออาจยากลัวต่อความตายรักชีวิตของตน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 เรื่องนี้ต้องฝึกเองเช่นการตรงต่อเวลาวินัยสองแบบอีกปริยายหนึ่งคือ 1. อานาคาริยวินัยวินัยของบรรพชิต 2. อ, อาคาริยวินัยวินัยของครวาส 1. นึอานาคาริยาวินัยท่านระบุถึงการไม่ล่วงละเมิดอาบัตคือปราชิกสีสังฆาทิเศษส3า อนิยตตาสองนิสักคียปาจิตตีสามสิปาจิตตีเก้าปาติเทศนียะสและเสขียาวัตร75อนิยตานั้นไม่ใช่อาบัตแต่เป็นสิกขาบทไม่เป็นอาบัติเพราะว่าถ้าจะปรับอาบัติอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นปราชิกหรือสังฆาธิเศษหรือปาจิตตีอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่อนิยตตาสองสิขาบทนั้นเป็นสิขาบทไม่ใช่อบัตอนิยตตที่บอกว่าผู้โจดนั้นโจดอย่างไรผู้ที่เชื่อถือได้ใช้คว า, าว่าสัตเธยะวัจจสาอุบาสิกาในหลักการเบื้องต้นที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสัตเธยะวัจจสาอุบาสิกามหาอุบาสิกานี้มีวาจาเชื่อถือได้โจดอย่างไรก็ให้ปรับอย่างนั้น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 ท่านเป็นอริยะสาวิกาคือท่านไปเห็นพระนั่งคุยกับผู้หญิงในที่ลับมาถึงเวลานี้ถ้าจะหาสัตยยะวัจจะสาอุบาสิกาซึ่งหมายถึงอริยาสาวิกาแบบนางวิสาขาก็คงหายยากเราไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นหรือไม่เป็นสรุปเรื่องอาบัติเจ็กองคือป ร, ราชิกสังฆาทิเศษทุลจัยปาจิตตีปาติเทสนียะ ทุกกฎทุกภาษิอย่างเสขียวัตรทั้งหมดนั้นก็เป็นอาบัตทุกกฎเป็นส่วนมากบางท่านอาจจะไม่เข้าใจคำว่าอาบัตรปราชิกสังฆาทิเศษเป็นต้นก็ขอพูดสักหน่อยอาบัตรปราชิกนั้นคือภิกษุต้องอาบัตรปราชิกแล้วก็ขาดจากความเป็นภิกษุแปลตามตัวก็เป็นทำพูดที่ต้องอาบัตให้พ่ายแพ้คือขาดจากความเป็นภิกษุ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 ที่จะออกจากอาบัตสังฆาทิเศษทุลัดใจแปลว่าชั่วหยาบคือจะอยู่ระหว่างปาจิตตีกับสังฆาทิเศษอย่างเช่นว่าภิกษุตั้งใจจะทาน้ำอาสุจิให้เคลื่อนเป็นอาบัตสังฆาทิเศษทีนี้ถ้าไม่ตั้งใจขนาดนั้นเช่นว่าจับอวัยวะเพศด้วยความกำหนัดก็เป็นอาบัตทุลัจใจคือน้อาอสุจิยังไม่เคลื่อน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 เป็นเทศนาคามินีตั้งแต่ทุลจัจไปถึงปาจิตตีใช้วิธีแสดงซึ่งเรียกปลงอาบัตปาจิตตีตามตัวอักษรแปลว่าการล่วงละเมิดที่ยังกูสลให้ตกไปเป็นเรื่องของอาบัตชนิดหนึ่งในประเภทนี้เรียกเต็มว่าสุทธิกะปาจิตตีมี92สิขาบทอีก32บทเรียกนิสัคียปะปาจิตตี อันนี้ต้องสละสิ่งของจึงโปรงอาบัติตกเช่นไปรับบิณฑบาตได้อาหารแห้งมาแล้วก็ต้องเอามาสละให้สามนเณรหรือเด็กวัดสละนี่คือนิสักคียะแปลว่าสละสละแล้วก็โปรงอาบัตปาจิตตีถ้าไม่ฉันให้หมดในวันนั้นถ้าฉันไม่ได้ต้องเสียสละต้องบอกให้คนอื่นให้พระด้วยกันไม่ได้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 ที่จริงก็เป็นปาจิตตีนั่นแหละแต่ว่ามันเกี่ยวกับสิ่งของต้องสละจึงมีคำนำหน้าว่านิสักคียปะปาจิตตีก็รวมทั้งหมดเป็น122ศสิกขาบทนิสักคีนี่ไม่ใช่ตัวอาบัตแต่เป็นสิ่งของที่จะต้องสละยกตัวอย่างเช่นภิกษุขอจีวรต่อคฤารือหัดผู้ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาได้มาต้องนิสักคียปะปาจิตตี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 คือบอกว่าจีวร น, นี้ผมได้มาแล้วขอให้ท่านแต่ว่าท่านที่รับแล้วก็คืนให้ก็ใช้ได้ต่อไปทุกกฏนั่นแปลว่าไม่ดีไม่งามทำอะไรไม่ดีไม่งามปรับอาบัตทุกกฏหมดไม่เหมาะไม่สมอย่างเสขียวัตรการฉันการใช้จีวรการแสดงธรรมการทำเสียงขณะฉันการเข้าบ้านถ้าไม่เหมาะสมก็อาบัตหมด การพูดเล่นสวนเสเฮ ห, หาเหล่านี้ก็เป็นอาบัตทุพภาสิทธิ์ทุพภาสิทธิ์แปลว่าพูดไม่ดีการเล่านิทานก็ต้องสำรวมถ้าตลกพนองไม่สำรวมก็เป็นอาบัตทุพภาสิทธิ์อนาคาริยวินยัยวินัยของพระวินัยของผู้ไม่ครองเรือนบางแห่งท่านว่าไว้แรงเหมือนกันพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่า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 ผลที่สุดพระโลลุทายีได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นี่คือพระองค์มีความการุณาสูงมากตัวอย่างในธรรมบทเรื่องจุลบันโกอันนี้ก็ถูกพี่ชายไล่ศึกบวชหลายปีแล้วจำธรรมสองบรรทัดไม่ได้พระพุทธเจา้าพระองค์ทรงกรุณามากไปดักอยู่หน้าวัดเอามือรูปสีสษะจุลบันโถกไปอยู่กับเราไม่ต้องศึก ก็ให้ผ้าขาวผืนหนึ่งไม่ต้องท่องอะไรมากพระโชหารานังผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าเช็ดทุลีเช้ายังไม่ทันถึงเพนจุลบันทกก็สำเร็จอรหรันถ้าไม่ได้ความการุณาของพระพุทธเจ้าพระจุลบันทกก็ไม่มีทางจะบรรลุได้เรื่องพวกนี้ก็พิจารณาเป็นเรายไปนะครับพระวักกัลลิที่ติดใจในรูปโฉงของพระพุทธเจ้าก็ได้สาเร็จอรหรัน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 พระวกกะลีก็ฆ่าตัวตายและได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ชีวิตตัสมสัสีสีได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยสิ้นชีวิตพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงตําหนิว่าการตายของเธอไม่เรวทีเดียวก็เป็นเรื่องแปลกแต่ในอัถกถาธรรมบทเล่าไว้อีกแบบหนึง่งไม่ได้ฆ่าตัวตายก็แปลกนะครับไม่ทราบเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร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 พระที่ฆ่าตัวตายเป็นอรหันได้อย่างไรเพราะการคิดฆ่าตัวตายเป็นอกุศลท่านตอบว่าใช่ตอนนั้นเป็นอกุศลแต่เอาความเจ็บปวดทรมานตอนนั้นมาเป็นอารมณ์กรรมฐานท่านพุทธทาสบอกตกกระดาดพลอยโจนคือเอาให้ได้ตอนนั้นเป็นชีวิตตัสมัตสีสีคือสำเร็จอรหันพร้อมกับสิ้นชีวิตมันต้องสาเร็จก่อนนิดนึงนะครับ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 แล้วการไปสวรรค์ไปนิพพานก็เป็นอันไม่ต้องพูดถึงไม่มีทางไปได้สองกิเลสท่านหมายถึงนิยตามิจฉาทิฏฐิสอย่างคืออกิริยทิฏฐิการเห็นว่าทำบาปไม่เป็นอันธรรมทำบุญก็ไม่เป็นอันธรรมมีความเห็นแน่นอนว่าบาปบุญไม่มีไม่ต้องพูดถึงเป็นเหตุบังเอิญทั้งนั้นอเฮตุกทิฏฐิ ความเห็นว่าชีวิตของตนการที่จะประสบผลสําเร็จหรือล้มเหลวไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยบังเอิญเหมือนกันนัติกาทิฏฐิความเห็นว่าการให้ทานไม่มีผลการทําความดีไม่มีผลผลดีผลชั่วอะไรก็เกิดขึ้นเองโดยที่ว่าไม่ต้องไปทําอะไรอันนี้เรียกว่านัติกาทิฏฐิไม่มีผลดีผลชั่วที่บุคคลกระทํา ถ้ามีทิฏฐิสามอย่างนี้ดิ่งลงไปแน่นอนเรียกว่านิยตามิจฉาทิฏฐิอันนี้เป็นอันตรายยิกธรรมเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายแก่การบรรลุธรรมคือเป็นกิเลสามวิบากนี่เป็นอันตรายยิกธรรมเหมือนกันคือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อการบรรลุคุณงามความดีต่างๆถ้าจะพูดอีกปริยายหนึ่งคือคติวิบัต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 แล้วก็ยังไม่ได้ทำคืนตามวิธีนั้นๆเช่นเป็นอาบัตสังฆาทิเศษแล้วก็ยังไม่ได้อยู er. ่กรรมยังไม่ได้อยู่ปริวาสเป็นอาบัตปาริจิตีก็ไม่ได้ปร่งอาบัตอาบัตสังฆาทิเศษสมมติเป็นพระที่ต้องอาบัตสังฆาทิเศษยังไม <ER ่ได <imagine>. ้ทำคืนศึกไปแล้วกลับมาบวชใหม่ก็ต้องอยู่กรรมแต่ถ้าไม่กลับมาบวชใหม่ก็เป็นอันแล้วกันไป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 ผู้ที่ทําบุญด้วยก็ได้บุญน้อยฉะนั้นเป็นปราชิกก็ศึกเสียแล้วไปบาเพ็ญอุปาสกะธรรมธรรมของอุบาสกบางพวกก็ได้บารุโสดาบันบางพวกก็ได้บารุสักกิทาคามีบางพวก ก, าาพวก็อนาคามีแต่ไม่ได้พูดถึงอรหรันต์ยังในอักขิขันโทปมสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องเปรียบเหมือนกองไฟว่า การล่วงอาบัตจะร้ายแรงเหมือนเข้าไปกอดกองไฟมีภิกษุหลายพวกฟังอยู่บางพวกเป็นอาบัตประราชิกก็สึกไปบางพวกเป็นอาบัตสังฆาทิเศตก็ทําคืนเสียบางพวกเป็นอาบัตเล็กอาบัตน้อยรู้สึกตัวก็ปรงอาบัตบางพวกมีศีลบริสุทธิ์ก็ได้บรรลุมรรคผลผู้ที่สึกไปก็ตั้งอยู่ในอุปาสกะธรรม